ก็ก็ดีใจจะไดนะ้ได้เล่นปอลลีอันดับหนึ่งนะของอันดับเปิ้นๆของโลกก็เป็นชื่อเสีย ง, งคาราโอเกงคนไทยด้วย้็เป็นความฝันของนักฟุตบอลไทยแต่พอไปถึงก็ได้เล่นเป็นได้เป็นตัวสำรอง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 ไม่ได้ลงสนามได้แต่นั่งดูเพื่อนเล่ น, นก็รู้สึกเป็นทุกข์ว่มันก็หนักมากความทุกข์มันเกิดการทุรนทุรายกระสับกระส่ายก็สึกหนักหัวเี่ยหนักหัวมันก็หนักจนหัวจะแตกเขาว่างก็อยู่ไม่เป็นสุขนะ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 ทำไมถึงมองไม่เห็นเนพะราะจิดมันปักอยู่ในเรื่องว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นคิดแต่แค่นี้นึกแต่แค่นี้วนไปเวียนมาไม่ได้หลงสนามเห็นแล้วก็ทุกเมื่อแล้แต่เมื่ อ, เ ม, อเมื่อได้เมื่อเวลาผ่านไปนะมาดูแล้วมาดูพิจารณาโอ้มันได้เยอะเลย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 ก็กลับไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ยังไม่ได้มันนีนะมันเคยตอนที่ไปตอนที่ไปลังการมีมีวันหนึ่งเกียกตอนไทยทายแล้ว ก็จุดมุ่งหมายคือไปเมืองกลัวนี่นะเมืองกลัวเมืองกัวนี่เป็นเมืองอยู่ริมอริมทะเลอยู่ใต้ฝึกของลังกาเรียกว่ามันเกือบจะใต้สุดไปโผลท่ที่เรียกว่าสัมผัสกับมาสุอินเดียเลย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 เราสามารถจะเห็นภาพที่สวยกว่านั้นได้ถ้าว่าเราไปถึงก่อนภาะาที่ตกเพราะว่าพอไปเห็นแล้วโอ้มันเป็นหาที่กว้างแล้วก็ด้านที่ตะวันตกคือด้านที่พระาทิตตกเนี่ยมันเป็นมันมีแต่ทะเลเวิ้งวางไปหมดถ้าไปถึงก่อน น, นั้นสักครึ่งชั่วโมงนี้ก็จะได้เห็นพระาทิตตกที่สวยงามมาก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 พอนืกเงที่สุขเสียดายนะเสียดายว่าถ้าเรามาเร็วกว่านี้สักนิดเนี่ยมันก็ได้เห็นภาพที่ประทับใจพอเสียดายปุ๊บนี่มก็นึกโทษเลยนะนึกโทษไกไก ล, ไกลไมันน่าจะรู้นะว่าภาพที่ตกดินตรงนี้เนี่ยมันสวยมากแต่ไกลก็ไม่บอกเลยสักนิดเลยนะ ว, ว่าให้รีบมานะ ก็กกลับพาคณะทัวร์หย่อนโน่นหย่อนนี่รวมทั้งช็อปปิ้งร้านชาด้วยก็ปรดเลยนะเกิดควาจะไม่พอใจแล้วก็ทั้งความสเสียดายภาพที่คงจะไม่ได้เห็นอีกคงจะเห็นได้ยากมากเพราะว่าไม่รู้จะมากลับมาที่เมืองโก่หยือเปล่า ให้ความขุนเคืงใจนี่ก็ก็เกิดขึ้นนะตลอดช่วงเวลาที่ที่อ่ในค่านั้นเนะี่ยระหว่างที่เข้าที่พักนี่ก็ยังก็ยังรู้สึกเสียดายแนละทั้งเสียดายแล้วก็แล้วก็ขุนขุนเครือง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 อันระดับโลกเลยเป็นคนเอเชียที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของสถาปนิกพอพอมองเห็นไอความงามนี่ก็ไอสิ่งที่เราเสดดวงเสดยจไดาเลยไปที่ไม่ได้เห็นปราทิตตกนี่มันมันก็หายไปเลยนะ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 มันก็ทุกขึ้นมาได้คือแค่ไม่ได้เห็นนี่มันก็มันก็เว่าเสียโอกาสเลยนะแต่ก็ยังซ้าเติมตัวเองนะด้วยการทาให้เสียใจเสียโอกาสมันก็พอแล้วมันก็มันก็ก็เสียพออยู่แล้วนะก็ยังไปซ้าเติมตัวเองทำให้เสียใจแล้วพอเสียใจนะมันก็เลยไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัส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 มีทั้งรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมก็รดบ้านได้ภาษานามธรรมก็เช่นเราได้ประสบการณ์ได้ได้พัฒนาทักษะนี่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มมดแต่เศร้าไม่มมดแต่ขุนเครื่องแนละที่ไม่ได้เล่นนะแต่เขาก็มองเออเขาก็เห็นตั้งแต่ต้นนะว่าเออฉันได้ยังไงยะนะเขาคงจตักตวงเลยมากมายได้มากกว่า น, นั้น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 โดยที่ไม่ได้เลยเลยคนโดนหนุมากก็เป็นอย่างนี้นะคือผ่านไปหลายปีแล้วก็ยังมองไม่เห็นตัวเองได้อะไรก็มองแต่ว่าเสียเสียเสียแต่ล้วก็โทษตัวเองโทษคนนั่นคนนี้ยิ่งมุมมองคนเรานี่สสำคัญมากนะเพราะว่าเวลาเรามองอะไรเนี่ยนะ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 สิ่งที่เราเห็นด้วยตามก็ไปหลอหลอมทัศนคติภายในใจเลือจะไม่ได้สิ่งที่เห็นด้วยตาแต่แต่สิ่งที่สิ่งที่จดจ่อใส่ใจมันก็ไปหล่อลอมทัศนคติภายในภายในหัวของเราขึ้นมาหรือภายในใจเราและทัศนคตินั้นก็มีผลต่อมุมมองของเราเช่นนถ้าว่าเห็นแต่ว่าเห็นแต่ว่าตัวเองไม่ได้น้นไม่ได้นี้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 ไปปรุงแต่งทัศนคติที่มองตัวในแง่ลบทัศกะตินี้ก็ไปส่งผลต่อการมองของเรามันก็มองเห็นแต่ลบแล้วก็มองเห็นคนอื่นลบด้วยนะไ ม, ไม <speaking in notes> ่ได้เห็นตัว่องลบอย่างเดียวเห็นคนอื่นลบสิ่งที่เห็นก็ไปส่งผลต่อทัศนคติและทัศนคติก็ไปส่งผลต่อสิ่งที่มองเห็น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 ข่ะที่เราข้ามสะพานก็ถามว่าพายเรือทำอะไรก็ราก็กลังมาเก็บมะกอกแม่ชีอยากได้มะกอกคือมันมีต้นมะกอกอยู่ริมริมริมสะพานนะพอาผู้ชนนี้ก็เอดใจเพราะว่าตอนที่เดินผ่านเนี่ยเราไม่เห็นอะไรเห็นแต่ต้นไม้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 ท่าสักติมาไปปรุงแต่งอารมณ์ทำให้เห็นทํำให้รู้สึกเศร้าเสียใจรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วท่าสักกติเป็นลบใ้ท่าสักติเหานี้นก็ทําให้เราไม่สามารถจะเห็นความจริงได้รอบด้านรวมทั้งไม่เห็นความจริงที่ลึกซึ้งที่มันซ่อนอยู่นยอย่างเช่นเนี่ยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะมันก็เป็นความจริงที่มาแสดงตัวตลอดเวลา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 มันก็เปลี่ยนของมันอย่างนั้นเนี่ยเมือนกับบางทีเราเห็นเข็มนาฬิกานะเข็มเข็มสั้นก็เห็นมันนิ่งอยู่วั่นนะเราเคชื่อมันนิ่งจริงๆมันก็ไม่นิ่งนะมันก็เคลื่อนตลอดเวลาแต่เราเราอันนี้เราสังเกตได้เมื่อเวลาผ่านไปแต่มัมีสิ่งหลายสิ่งที่เราไม่เห็นนะความแปรเปลี่ยนของมัน ทุกขังดูเหมือนกันนะทุกนี่มาแสดงตัวตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่เห็นเพราะว่าเวลาปวดเวลาเมื่อยทีไรเราก็เปลี่ยเรียบทเปลี่ยเรียบทมันก็หายปวดหายเมื่อยพอปวดเมื่อยมายก็ก็พลิกตัวพลิกขามันก็ไม่เห็นทุกยังการปฏิบัติธรรมในหลายสำนักนี่ เขาต้องเขาจะฝึกให้เขาจะให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องคิดตัวไม่ต้องขยับแข้งขยับขานัน่งอยู่งั้นแหละเพื่อได้เห็นเห็นทุกจริงๆเห็นทุกชัดๆนะว่าสังขารเป็นทุกแต่แม้กระันนั้นเนี่ยพอพอเลิกนั่งนะให้ความความคิดเดิมๆกากลับมานะว่าให้ทุกอย่างนะ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 เห็นอารมณ์ท hmm. ี่เกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์เมื่อมันเห็นเห็นเห็นก็จะเห็นทีแรกก็ไม่เข้าไปเป็นก่อนพอถ้าเข้าไปเป็นแล้วก็จะไม่เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าไปเป็นผู้เสพผู้สวยอารมณ์นั้นก็จะไม่เห็นอารมณ์นั้นความกลัวเกิดขึ้นเป็นผู้กลัวความ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 ม า, มาก็ต้องพอมันเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นรู้ว่ามันมีอยู่ <c oughs> นะความเศรามีอยู่ความโกรธมีอยู่ในใจหรือเกิดขึ้นในใจแต่ก่อนพอมันเกิดขึ้นไม่รู้นะแต่พอเราปฏิบัติเจริญสติมากเข้ามาเข้ามันก็รู้พอมันเกิดขึ้นก็รู้รู้แล้วก็ไม่ข้อไปเป็น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 พอเรามองตุ๊กตาเราติกับสมมุติมันเป็นตุ๊กตาเราก็ไม่เห็นอย่างทั้งที่อย่างนึงก็มันก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่าเรามันก็บผ้าเนี่ก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าตตาเราแต่ไม่เห็นผ้ามาเห็นแต่เสื้ออย่างปรากฏอยู่ต่อหน้าเราแต่ไม่เห็นเพราะมันเห็นแต่ตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยคือสมมุติที่ใจเราไปยอมรับมันอยู่ในหัวเราหัวเรามันฟังอยู่ในหัวเราในสมมุติเนี่ย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 วิมุตต์คือปรามะนั่นแหละสมมุติกับวิมุตต์หรือสมมติกับปรามะอยู่ด้วยกันเหมือนกับอะไรเหมือนกับผลไม้นะ่ะหลวงพ่อช้างเปรียบมือกับผลไม้เช่นมะพร้าวเนี่ยนะมันก็มีเปลือกแต่ข้างในเปลือกเนี่ยก็คือนะคือน้ําคือคือเนื้อนะ น้ำกับเนื้อนี่มันก็มาพร้อมกับเปลือก น, นะแต่ว่าเปลือกมันก็บังไม่ให้เห็นเนื้อไม่หเห็นน้ําข้างในก็หน้ากระบอกเนี่ยวิมุตต์นั่นก็สมมุติมันก็ปิดตังวิมุตต์เอาไว้แต่มันมาด้วยกันเสื้อผ้ามันก็ปิดบังเสื้อก็ปิดบังผ้าตุ๊กตาก็ปิดบังอย่างคนก็ปิดบังรูปเนี่ย จริงมันไม่ได้ปิดเราแต่เราองไม่เห็นหนึ่งเพราะเราไปจดจออยู่แต่เสื้อมองจิดจออยู่ลับตุ๊กตานะเพราะไปติดสมมุติเนี่ยเสื้อคือสมมติคือเสื้อสมมุติคือตุอ๊กตาสม ม, ต, ส ม, ม, ต, ส ม, มติคือคนในกอในขอมันก็เลยไม่เห็นปรามัดนะคือความจริงขั้นสูงสุดจริงๆแล้วความจริงก็แสดงตัวตลอดเวลาที่ว่าใจเราจะเปิดไหม